ธมามโนเสธามนมาาติเอตมัสสะธัมมปริยาตสอัโธสาาสะมนเตหสัจังธมโสตปโบอ ตั้งทาตั้งทางตั้งภาชนะเครื่องรองรับธรรมะภาชนะเครื่องรองรับธรรมะคือใจใจอาศัยกาย อาศัยร่างกายตั้งกายเป็นเรียนของใจเป็นธรรมเป็นโคหาธรรมโคฮาหรือโคหาคือธรรมที่อาศัยของใจที่อยู่ของใจเพราะร่างกายกับใจยอยู่ด้วยกันก็จึงต้องตั้งกายตัง้งใจ เป็นเครื่องรองรับกระแสพระธรรมเทศนาที่จะได้สีแจงแสดงตามสมควรแก่กาลเวลาทำความรู้ ทความรู้ทําความรอบรู้รอบรู้อยู่ในกายของเราสติความะระลึกรู้เป็นนายคุมใจสติคือความะระลึกรู้ก็อยู่ที่ใจ อาศัยเกิดขึ้นจากใจแต่มาเป็นนายคุมของใจคุมใจคือความรู้ให้รู้อยู่ภายในกายให้รอบรู้อยู่ภายในกายเย่าว่าเบื้อง บนแต่พื้นเท้าขึ้นมาจนถึ ง, ถงปลายผมเบื้องล่างจากปลายผมลงไปจน ถ, ถึงพื้นเท้าแต่จะปริยนโตมีหนังหุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบมียก่าทำความรู้รอบรู้อยู่ในกาย ่าให้รู้นี่ออกจากกายไปเลยจากกายคือกายไปรู้ที่อื่นกายไปรู้ที่บ้านที่เรียนกายไปรู้ที่การที่งานหน้าที่ที่เรารับผิดชอบ ต, ต่างไปรู้อยู่ที่ ลูกที่ร้านที่สามีภรรยาพายนอกออกไปนั่นเรียกว่ารู้เลยจะกลายหรือว่ากลายจะกลายไปเพราะฉะนั้นจำกัดขอบเขตขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เรา มาปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติกายปฏิบัติใจเพราะกายกับใจมาด้วยกันจึงต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างมาปฏิบัติกายให มีคุณค่าให้เกิดคุณค่าปฏิบัติใจให้เกิดคุณค่าคุณค่าของใจคุณค่าของกายได้แก่อะไรได้แก่ธรรมะ ธรรมะคืออะไรธรรมะคือส ภ, คสภาวะแห่งความเป็นจริงใครเป็นรูปใครเป็นผู้รูปสภาวะแห่งความเป็นจริงก็คือใจรวมแล้วตกลงว่าให้ใจรู้ใจ รู้กายแลวก็รู้ใจรู้กายเป็นรู้นอกรู้ใจเป็นการรู้ในคือรูู้ตัวเองให้ใจรู้ใจคือให้ใจรู้เจ้าของรู้ใจเองเรามาปฏิบัติใจเพื่อให้มีคุณค่าดังที่กล่าวมาแล้ว ให้เกิดความรู้ในสภาวะแห่งความเป็นจริงีเรียกว่าให้รู้ธรรมะให้รู้กายกายก็เป็นธรรมะเป็นรูปรธรรมแล้วก็ให้รู้ใจเองใจเป็นนามาธรรม แล้วก็ให้รู้สภาวะที่เกิดอยู่กับใจที่เป็นนามธรรมที่มีที่มีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้แต่แกเวทนาสัญญาสังขารอิญญาณ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นนามธรร ม, มปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมะคือรู้รูรปรธรรมได้ แ, แก่การรู้กายแล่ก็รรู้นามธรรมได้ แ, แก่ การรู้ใจใจรูจ้ใจแล้วก็ใจรู้สัญญาความจำได้หมายรู้รู้สังขารความนึกคิดองแต่งรู้เวทนาความเสวย สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รู้วิญญาณคือความรับรู้ตายตนะตาหูจมูกลินกายใจความรับรู้เรื่องกายความรับรู้เรื่องใจ น, นี่เรียกว่าวิญญาณเพราะฉะนั้น คำว่าใจกับวิญญาณจึงมีอาการลักษณะแตกต่างจากกันไม่เป็นอันเดียวกันแต่ถ้ารวมแล้วก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันวิญญาณกับใจอยู่ด้วยกันกับใจเกิดจากใจแต่ใจเป็นธรรมชาติ ใจเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะธรรมชาติที่ไม่ตายไม่ดับส่วนวิญญาณเป็นธรรมชาติเกิดเกิดดับดับเป็นอาการเกิดเกิดดับดับส่วนใจนี่ไม่ดับมีขึ้นมาแล้ว ดับไม่เป็นดับไม่เป็นตายไม่เป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาติแห่งอมตะธาตุหรืออมตะธรรมที่เรียกว่าธรรมที่ไม่ตายได้แก่ใจ <c oughs> เมื่อใจเป็นสิ่งที่ ไม่ตายไม่แตกไม่ดับสภาวะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นแดนเกิดแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมที่ร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปหรือดับไปคาว่าดับไปก็คือสลายไปแต่ถ้าในความหมายที่ว่าดับในความเข้าใจของเราคือหมดไปเลยไม่มีอะไรแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติ ของกายถึงแม่จะพูดว่าเป็นธรรมชาติที่ดับเกิดดับแต่ความจริงไม่ได้ดับอย่างที่เราเข้าใจกันคำ ว, ว่าดับก็คือเป็นเพียงสลายจากสภาวะแห่งความเป็นรูปลงสู่ความเป็นธาตุเท่านั้น คือถ้าทั้งสีดินน้ำไฟลมนี่โน้นซึ่งกันและกันก็รทรงความเป็นรูปร่างกายแต่เมื่อเวลาเขาสลายนา้ำกลับลงสู่ความเป็นน้ำดินลงสู่ความเป็นดินไฟก็กลับสู่สภาวะแห่งความเป็นไฟ ลมกับสู่ความเป็นสภาวะแห่งลมไม่ได้ดับถ้าจะว่าดับก็ดับจากความเป็นรูปอันนี้เหมือนอย่างรูปของเราแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละร่างกายแต่ละตัวตนนี่เมื่อถ้าทั้งสี่คืนสู่สภาวะของเขาแล้ว ก็ไม่มีความเป็นรูปเป็นกายลงเป็นดินน้ำไฟลมนี่คือดับคือรูปไม่มีเราจะมองเห็นรูปที่เคยเห็นอยู่ไม่มีเช่นรูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราผู้ที่ร่วงรับวายชนไปแล้ว แล้วก็จําได้แต่ว่ามีชื่ออย่างนั้นก็เกิดมามีรูปร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ถ่ายภาพไว้ก็เห็นแต่ภาพในกระดาษในฟิล์มที่ถ่ายไว้เท่านั้นแต่จะให้มาเห็นเป็นรูปเป็นกายนั่งอยู่เหมือนอย่างเราที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่คิมเรียกว่าดับ ดับจากความเป็นรูปแต่ไม่ได้ดับจากความเป็นธาตุดินน้ำไฟลงของเขาน้ำก็ยังเป็นน้ำดินแต่ยังมีอยู่ลมก็ยังมีอยู่ไฟยาการแห่งความร้อนก็ยังมีอยู่ความอบอุ่นหรือความร้อน ที่ว่าเกิดจากไฟเหมือนอย่างเราจุดเทียนไฟดวงหนึ่งหรือว่าเรากดสวิตช์ไฟฟ้าดหลายหาดงวงนั้นก็มองเห็นกระแสไฟหรือแสงไฟพอเราปิดสวิตช์ไฟแล้วไฟทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏในหลอดไฟดวงไฟอันนี้เราเรียกว่าดับ ดับไฟปิดไฟดับไฟแต่ไม่ได้หมายว่าความว่าไฟนั้นไม่มีแต่พะเปิดสวิตช์ใหม่มันก็มีมาอีกนี่อาการของสภาวะธรรมแห่งรูปธรรมความหมายที่ว่าดับคือมันเคลื่อนย้ายออกจากกันธาตุเคลื่อนย้ายออกจากกัน ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอันนี้แสดงธรรมะในส่วนแห่งปัญญาที่จะให้พวกเราได้กำหนดรู้สภาวะธรรมตามเป็นจริงที่เรียกว่าสัจธรรมคือให้รู้เรื่องของรู้ ร่างกายเพราะฉะนั้นจึงว่าให้สติคุมใจสติเป็นนายคุมคือสติะระลึกรู้รอบรู้ให้ความรู้เนี่รู้อยู่ในกายเรียกว่าให้ให้ใจรู้อยู่ในกายไม่ให รู้ออกไปที่อื่นคณะนี้เดียวนี้คณะทนนี่ฟังธรรมะอยู่นี่นเป็นการรวมเป็นการรวมพลังแห่งธรรมคือพลังความรู้ของใจพร้อมด้วยสติคือความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัว ีสติความระลึกรู้นี่ระลึกรู้เป็นขณะขณะจะมีอาการเป็นขณะเมื่อระลึกรู้เป็นขณะขณะต่อเนื่องกันนี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งสงบ ความระลึกรู้ก็ระลึกรู้ในกายของเราต่อเนื่องไม่ให้ส่งสอดสายไปที่อื่นเมื่อสติระลึกรู้ต่อเนื่องไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอส่งสายความรู้นี่ไปออกนอก จากกายไปสู่เรื่องภายนอกเมื่อเราลึกรู้ต่อเนื่องก็เป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ทั่วรู้ตัวรู้ทั่ ว, วทั้งกายทั้งใจเป็นสัมปชัญญะเรียกว่าสติสัมปชัญญะ ฝึกธรรมะให้มีความละเอียดเข้าไปฝธรรมะให้มีความแข็งแกร่งถ้าสติไม่แข็งแก่งก็จะเกิดความท่างเผลออาการที่ สติไม่ต่อเนื่องกันเรียกว่าเผลอสติพลั้งเผลอจากงานที่ให้รู้ที่ให้ดูที่ให้ทำํำทือไม่เอาใจใส่ขาดความเอาใจใส่ในการงานที่ให้กระทําโดยชอบเรียกว่างานภาวนางานภาวนางานเจริญปัญญา คืองานปฏิบัติธรรมเจริญธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมสมาธิคือความตั้งใจมั่นนั่นแหละมีสติตั้งมั่นในการรู้ออรอบอยู่ในกายนี่เรียวกว่าการงานชอบ ในเมื่อเราจเจริญธรรมะคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาความรอบรู้ในธรรมความรอบรู้ในกองสังขารสติคือศีลคามมีสติมีเจตนา มีความจงใจเรียกมีความสังวรมีความสังวรมีความสำ ร, รวมมุ่งมัน่นสังวรรอบรูในกายในจิตสองอย่างนี่แหละเพราะสองอย่างนี้เป็นฐานของธรรมะเป็นฐานแห่งชีวิตชีวิตที่จะสืบต่ออยู่ได้เพราะกายกับจิต ยังอาศัยกันอยู่สัมพยุดกันอยู่จึงมีชีวิตอยู่ยได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติต่อกายกับใจคือปฏิบัติธรร ม, มะดังที่กามามีสติสัมปชัญญะมีสมาธิ ความตั้งมั่นอยู่ในการรอบรู้ในการรอบรู้ในการดูกายดูจิตของตนรู้กายรู้จิตของต น, ตงตนไม่พังเพลิไม่ทอดทุระอันเรียก ว, ว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นในการทำงานส่วนนี้ คือมีการกําหนดรูกายรู้จิตกายเอาจิตเป็นที่ตั้งของการกําหนดรู<ไ>ก็เรียกว่าเป็นผู้ทํางา น, เ ป, นางเป็นผู้ทาํางานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติรูกายรู้ใจด้วยความ มัน่นด้วยความตั้งใจมัน่นด้วยความมีสมาธิมั่นคงความสงบของใจนันเป็นผลความสงบของใจที่เราเข้าใจว่าสมาธิคือความสงบความสงบของใจ คือเมื่อใจมันตั้งมั่นในอารมณ์มันเดียวก่อนหรือตั้งมั่นในการงานที่ให้รู้ให้ละลึกรู้นั่นแหละมันจึงเป็นความสงบเป็นการรวมของใจนรือว่าเป็นการรวมของกระแสแห่งใจหรือเกิดเป็นความสว่าง ของใจสว่างด้วยความรู้นั่นแหละสว่างด้วยใจไม่ได้สว่างด้วยแสงไฟสว่างด้วยแสงของใจรัศมีของใจคือความรู้ตรงนั้นเมื่อมันเป็นผลเกิดขึ้นมันจะเป็นความรู้สว่างเป็นความรู้สว่าง เป็นความสุขสว่างเป็นความเบาสว่างทั้งสุขทั้งรู้ทั้งเบาทั้งวางทั้งว่างในรวมเป็นพลังแห่งความสุข ของใจที่มีความตั้งมั่นมั่นคงในอารมณ์อันเดียวหรือในการงานที่ให้รูปเพราะฉะนั้นจึงต้องภาวนาการภาวนาจึงต้องให้ถึงพร้อมด้วย สติเพาะถึงพร้อมด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าขาดศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อ ศรัทธาคือความเชื่อที่มั่นคงที่ตั้งมั่นถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติธรรมหรือการสร้างธรรมะคือสติและสมาธิปัญญาให้มีกำลังเกิดขึ้น ว่ามีผลประโยชน์ที่จะให้เกิดความสุขเกิดความสงบจิตใจที่คิดปุ้งฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ไม่มี <c oughs> หลักไม่มีฐานแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้เครื่องผู ก, ก จ, จิตใจ ไว้แล้วเนี่ยใจจะรวนเละใจคือความรู้นะความรู้นะถึงแม้มันจะเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์อาการของความสุขความทุกข์นั่นมันเป็นอาการอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งสุขและทุกข์นี่มันเป็นสมมติ เาะัมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนส่วนใจที่ความรู้มันไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นเพียงสภาวะแห่งความรู้ความสุขความทุกข์เท่านั้นเมื่อใจมันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ใจจึงไม่ใช่สมมติ จึไม่ใช่สมมติจึไม่ใช่บัญญตัติเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมชาติเป็นสภาวธรรมแห่งความเป็นจริงไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยู่ในวงแห่งความสมมุติตกีวความสุขความทุกข์อยู่ในวงสมมุติเพราะ ม, มันเกิดเกิดดั บ, ดบ ซึ่งมีใจเป็นที่เกิดมีใจเป็นที่าพาดพิงของความสุขและความทุกข์นั่นนเมื่อใจเป็นสภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นการภาวนาการทำงาน คืองานปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นสมมุติและไม่สมมุตินี่ให้เข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมครือรูปร่างกายเ ข, าเข้าใจตามความเป็นจริงของนามธรรม คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่สัมผัสรู้ด้วยใจเช่นสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้กัเป็นสมมุติเป็นสภาวธรรมในวงแห่งสมมุติเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับสัญญาเกิ ด, ดเกิดดับดับสังขารเกิดเกิดดับดับวิญญาณรับรู้รับทราบเกิดเกิดดับดับเวทนาสุขทุกข์ ไม่สุกขไม่ทุกข์เกิดเกิดดับดับผู้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือใจนี่ไม่เกิดไม่ดับจริงว่าเป็นธรรมที่เป็นทิฏฐิธรรมเป็นนามธรรมคือธรรมที่ไม่ตายไม่แต่ไม่ดับนี่เพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจ ในสภาวธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงจริงต้องปฏิบัติธรรมจริงต้องในภาวนาจริงต้องมาปฏิบัติสร้างอุปกรณ์แห่งการภาวนาคือสติความะระลึกรู้ให้ต่อเนื่องกันจนกลายเป็นศีลละสังวร เป็นความระลึกรู้เป็นสัมปชัญญะจนเป็นความสมบูรณ์แห่งสติคือปาติโมกสังวรศีลมีความสังวรในการกระทาที่จะให้เกิดโทษ ทางกายทางวาจาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วว่าทำยังไงเป็นโทษทำลายชีวิตผู้อื่นือเอาสิ่งของผู้อื่นประพื่นร่วงระเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ทางการมคุณและไม่มีความสัตย์ความจริงรลอก่วงอันพังผู้อื่นอาการเหล่านี้อาศัยกายอาศัยกายอาศัยวาจาเป็นเครื่องมือเป็นสื่อ เราะฉันจึงต้องสร้างสติความะระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้ะระลึกรู้ถึงโทษให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าการล่วงละเมิดอาการเหล่านี้แหละสมมุติเหล่านี้แหละมันจะเกิดโทษคือเกิดความเม่เกิดความ ไม่สบายเกิดความไม่เป็นสุขเกิดความไม่เป็นปกติถ้าเกิดความวุ่นวายเกิดความกระสับกระส่ายทั้งทางกายและทางใจทั้งวาจาทั้งสามทวารเมื่อมันเกิดความกระสับกระส่ายอย่างนั้นจึงไม่เรียกว่าศีลเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีศีลเมื่อมันไม่กระสับกระส่าย มันสงบจากความกระสับกระส่ายจากความวุ่นวายเพราะเหตุแห่งกายวายจารถึงเรียกว่าเป็นศีลสังวรเป็นความเรียบร้อยจากสิ่งที่อยากคือกายที่เป็นรูปและวายจาที่เป็นเสียง แล้วตืล้ลงไปจนถึงใจซึ่งเป็นผู้รับรู้กายรับรู้ว่าจ่าหรือรับรู้รูปรับรู้เสียงแล้วก็รับรู้ความรู้ในตัวเองเองีกเรียกว่าใจจึงมีจึงต้องมาสร้าง ธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเนี่ยสํารวมสังวรมีความสํารวมมีความสังวรและจึงจะเกิดความเรียบร้อยทางกายทางวาจาและทางใจคือความเป็นปกตินั่นเองความไม่เรียบร้อยก็คือความกวนกวยความทุกข์ความร้อนกะสับกระสายทั้งทางกายทางจิตใจทางวาจา น, นั่นแหละ พราะท่านท่านยงว่าศีลคือความสำรวมกายวาใจาใจให้เรียบร้อยนี่เป็นฐานที่จะให้เกิดการคอบคุมสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยให้สงบลงสู่ความเป็นปกติของตนเอง ซึ่งมีใจนั่นแหละเป็นผู้จะรู้ว่าปกติหรือไม่ปกติธรรมชาติรู้คือใจนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งถ้าอุปมาให้เป็นรูปธรรมก็เหมือนกันกันกบเราจุดไฟแล้วก็กองไฟขึ้นไฟเมื่อมีเชื้อของมัน มีเชือมากมันก็ส่งเปลวสูงมีเปลวพุ่งเรียกว่าเป็นเปลวร้อนสูงซึ่งก็เกิดจากเชือคือท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นเองเมื่อไฟมันมีความร้อนสูงเพราะมีเชือมาก เราจึงต้องควบคุมเปลวของไฟให้มันอยู่ในขอบเขตไม่ให้มันฟุ้งหรือมันส่งเปลวว่องว่งออกไปเพราะมันจะลามไปเรื่อยมันจะเกิดโทษมันจะเผาผลาญลามออกไปเรื่อยเรื่อยนี่เพราะฉะนั้นว่าความ สิ่งที่เป็นไฟสิ่งที่ให้เกิดความร้อนไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนเพราะความกำเริบแห่งราคะคือความดิ้นรนความอยากความปรารถนาใน กิเล ส, สกามวัตถุกามมันจะเกิดความร้อนเกิดความเผาผลาญนีจึงควบคุมด้วยธรรมะคือการภาวนาสร้างอุปกรณ์ควบคุมคือสติ เป็นอุปกรณ์สัมปชัญญะเป็นอุปกรณ์ที่จะควบคุมไฟเรลไฟสมาธิปัญญาที่เรียกว่าศีลศีล ส, สมาธิปัญญา นี่เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่จะควบคุมโทษที่จะเกิดจากความโลภ ค, ความโกรธความหลงซึ่งเกิดอยู่ที่ใจอาศัยใจเป็นที่เกิดไม่จะเกิดจากที่ความโลภโกรธหลงหรือที่เรียกว่ากิเลสความเลาะร้อน มันเกิดอยู่ที่ใจอาศัยใจเป็นที่เกิดแต่มันไม่ใช่ใจนะแต่มันเป็นอาการอันหนึ่งเหมือนกันกันกบไฟอาศัยเชื้อนั่นแหละอาศัยเชื้ออาศัยน้ำมันที่เป็นเชือไฟหรือท่อนฟืนไมมแห้งเป็นเชือของไฟ แต่เชื่อของไฟนไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟมันเป็นคนละอันอยู่นี่ก็เหมือนกันกิเลสอาศัยใจเป็นที่เกิดแต่มันไม่ใช่ใจมันไม่เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะควบคุมความร้อนเหล่านี้เนี่ย จึงต้องสร้างจึงต้องปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นว่าให้ให้มีสติสร้างสติให้สมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์ก็เรียกว่ามีศีลสมบูรณ์แต่จะสมาธิสมาธิไม่ต้องไม่ต้องสร้างแต่ก็ต้องสร้า ง, งมีการกาหนด ไอ้มีสตินี่แหละมีการกำหนดรูปรูตัวนั่แหละสัมปัชัญญะรูตัวก็คือรูปรูความรู้รูใจนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดให้มองเห็นเป็นรูปประธรรมง่ายๆก็คือสร้างสติเช่นเราภาวนาน่การภาวนา เป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติจิตภาวนาฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นที่ใจให้ใจมีสติสัมปสัญญะเป็นผู้อุปการะท่านพิ้งว่าสติธรรมที่มีอุปการะมาก สองอย่างแก่สติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมอย่างอื่นต่อธรรมที่เป็นทิฏฐิธรรมคือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกสติสัมปชัญญะอภภาวนา จะนั่งภาวนาหรือขณนี้นั่งฟังธรรมะนี่ก็นั่งปฏิบัติภาวนาไปด้วยนี่สติกำหนด ร, รู้อยู่กับการฟังธรรมะหรือกำหนด ร, รู้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือกำหนด ร, รู้จิตนี่ก็เรียกว่านั่งภาวนานั่งปฏิบัติธรรม เดินเดินปฏิบัติธรรมเดินให้ตั้งท่าตั้งทางกําหนดกฎเกณฑ์การเดินนี่จะไม่เดินไปทั่วเดินกลับไปกลับมากําหนดที่เดินเดินกลับไปกลับมาให้ช่วงระยะ ิ0วาร่วงระยะ15เมตร20เมตรมันจิงสบายถ้าเดินสั้นๆมันจะทำให้เวียนศรีรษะความหมุนเวียนมันบ่อยๆเข้าก็าทำให้ธาตุคือร่างกายนี่ผิดปกติเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินกลับไปกลับมา ระยะยาวๆที่เดียวว่าเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินภาวนานั่นเองแต่ว่ากำหนดจำกัดเดินไปถึงนี่แล้วก็กลับเดินถึงนี่ก็กลับถ้าเราเผลอสติมันก็จะเดินเลยไปจะเลยเลยเขตที่กำหนดนเป็นการฝึกซ้อมสติฝึกซ้อมสมปัจัญญะ ฝึกซ้มสมาธินั่นแหะความมั่นคงแห่งความรู้ความมั่นคงแห่กมมงหการกำหนดนี่ในอยบทเดินเดินกลับไปกลับมาตั้งท่าตั้งทางเป็นการเดินจงกรมเดินภาวนาไม่ใช่เดินเล่นภาวนาในอยบทเดิน ภาวนาในอิริยาบถยืนเมื่อนั่งมันเก็บมันปวดสู้ไม่ไหวเละเปลี่ยนอิริยาบถเดินเดินเหนื่อยมันเหนื่อยมันเมื่อยมันสู้ไม่ไหวมันไม่ผ่านเวท น, นาคือจิตไม่สงบไม่วางเข้าสู่ อปปนาสมาธิเขาเปลี่ยนมายืนยืนนิ่งๆยืนหลับตาตัวตรงอันนี้เรียกว่ายืนภาวนายืนก็เหนื่อยอา้าวมันก็ต้องเปลี่ยนที่เรียบตลงไปก็ต้องนอนต้องมีนอนเวลานอนก็กำหนด ที่ใจเหมือนกันสติกำหนดรู้ที่ใจหายใจเข้าหายใจออกฤทรู้ร่มเข้าร่มออกก็แล้วแต่เพราะอุบายที่กำหนดสติตั้งสตินั้นมีอยู่ถึง40อาการที่ท่านเรียกว่ากรรมฐาน40หรือที่ตั้งแห่งสติกำหนดรู้ อันนีอยู่สี่สิบอาการเราจะกำหนดอาการไหนในอิวิยาบทอะไรก็คือให้มีฐานที่ตั้งของสติที่รู้ของใจมีเป้าหมายอันเดียวแนวแน่ น, นั่นแหละเวลานอนนอนตะแคงข้างขวา เอาขาซ่อนขาเอามือท้ายวางไปตามตัวเอามือขวาวางรองที่แก้มขอกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกไม่ให้เผลอสติไม่ให้เผลอสติไม่ให้ศรัทธาเสือ่อมคือศรัทธาความเชื่อมั่นว่าในการ นอนภาวนาในการกําหนดสติภาวนาในท่านอนไม่ให้ศรัทธาเสือ่อมไม่ให้ความเพียนพยายามขาดวักขาดตอนไม่ให้สติเผลอเนี่ยก็เป็นการภาวนาเป็นการนอนภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนา นอนภาวนาทำได้ทำได้ในอิริยาบททั้งสี่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ร่างกายนี่มันเป็นรูปเป็นรูปประทา ม, <c oughs> มันต้องเปลี่ยนอิริยาบทคือมันจะมีความสุขอยู่ด้วยการเปลี่ยนอิริยบทเท่านั้น ที่เราว่าเกิดมารอ้โมีความสุขสุขเพราะการเกิดได้มีรูปร่างกายไม่ทุพพลภาพไม่ขาดอวัยวะไม่บกพ่องแล้วก็ถือว่าความเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติมีความสุขแต่ความจริงอ่ะมันสุขนิดๆหน่นนอย ที่จะว่าสุขก็สุกอยู่เพราะการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นแหละถึงว่าอิริยาบถนี่แหละเป็นเหตุปิดบังความจริงอีกอที่ว่าอิริยบบาบถบังทุกเพราะทุกคือความจริงแล้วเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความทุกขเหล่านี้ให้รู้ความจริงของ ความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่เปลี่ยนรียบบทนั่งนา น, นเป็นทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันขบมันมึนมันชาเดินนานก็เหมือนกันยืนนานก็เหมือนกันนอนนานก็เหมือนกันไม่ใช่ว่านอนจะมีความสุขเรียกว่าอียบบททั้งสี่อยู่ด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเป็นแต่เพียงเวลาเปลี่ยนียบบท มันก็ปิดบังความทุกข์ทำให้เราเข้าใจว่าสบายแต่ความกินมันไม่ได้สบายอะยมันเป็นเพียงความสำคัญในการเปลี่ยนแล้วก็ว่าสบายอันนี้เรื่องของรูปร่างกาย มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นแต่ส่วนใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปเหมือนกายใจนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนสติก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีแขนไม่มีขาไม่ต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนเป็นธรรมชาติอินยาบทเดียวของเขาอยู่ยคือความรู้ความระลึกรูก้ เพียงแต่ว่าเรามาทําให้มันะระลึกรู้ต่อเนื่องกันเป็นกาหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธเขาทำยังไงมันจ ะ, ะระลึกรู้ไม่เผลอไปรู้เรื่องอย่าง อ, างอื่นไม่เผลอไปะระลึกเรื่องอย่างอื่นเท่านี้แหละทำเท่านี้นเวลาเรานั่ง ขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมีขวาวางทับมือซ้ายแหละสำคัญมั่นหมายอยู่กับาการรู้ลมเข้าลมออกอจะเก็บจะปวดจะอะไรก็ไม่สนใจนั่นเอะเพื่อจรู้เมื่อความเก็บความปวดเกิดขึ้นมันก็เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆนี่เองเมื่อมันเกิด มันจะดับได้ไหมเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแห่งสมมุติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วความเก็บความปวดเกิดขึ้นความไม่เก็บไม่ปวดก็ต้องมีนี่มีสติแน่แน่นี่เรียกว่าพิสูจน์ความทุกข์ในท่านั่งทันจึงนั่ง น, น, นาน แล้วการทำอย่างนั้นนานๆมันจะเป็นการฟอร์มสติสัมปชัญญะนี่ให้มีความเข้มแข็งให้สมาธิือความมั่นคงมั่นคงเข้มแข็งเข้านี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงต้องต่อสู้กัน ที่นี่เมื่อการปฏิบัติธรรมหรือการสร้างอุปกรณ์คือธรรมะดังที่กล่าวแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่สบายขึ้นดังที่กล่ามานี่ที่นี่ความไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นอีกซึ่งความไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ใจแต่มัน อาศัยเกิดที่ใจแลามีใจเป็นผู้รู้รู้ว่าไม่ชอบนั่งนานเน็ดเหนื่อยเมื่อไม่ชอบก็จะไม่ชอบนั่งภาวนาให้ชอบหรือภาวนาการกาหนดรู้มีสติรู้ที่จิตใจก็คุมใจมันก็รู้สึกไม่สบายอิดอัดกระวนกระวายดิ้นรนยิ่งกาหนด ให้มันสงบเท่าไหร่มันก็ยิ่งปุงยิ่งฟุง้งยิ่งเป็นทุกข์สู้ปล่อยให้มันคิดมันปุงให้มันไปตามเรื่องตามราวมันเสียดีกว่านี่เลยหมดศรัทธาความเชื่อมั่นในการที่จะภาวนาขาดความเพียรพยายามที่จะตั้งสติกำหนดระลึกรู้ต่อเนื่องกันขาดความเพียรที่จะนั่งอยู่ในท่าเดียวนา น, น, น ธรรมะก็ไม่เกิดไม่เข้มแข็งปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งไม่รู้ทุกตามเป็นจริงจริงไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมทั้งทั้งที่ธรรมะความเกลียวความป่วนก็เป็นธรรมความนึกความคิดก็เป็นธรรมความระลึกรู้ก็เป็นธรรม ก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะทอดทุระผ่านความเพียรไปเสียนี่อาการหรือวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดความเป็นธรรมที่เราจะไม่รู้ไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจในธรรมะไม่เข้าถึงความเป็นผู้มีสติ ปำปัญญาไม่เข้าถึงความเป็นผู้มีสมาธิความตั้งมั่นของใจไม่เข้าถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่มีปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อไม่มีสมบัติคือสติสมาธิ และปัญญาเป็นเครื่องคุ้มกันใจหรือเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของใจแล้วใจที่เป็นธรรมชาติรู้ก็ตกไปในอำนาจของความฟุ้งซ่านอำนาจของสังขารความคิดปรุงฟุ้งไปนี่จิตสังขารเกิดขึ้น ยิ่งคิดยิ่งปุงยิ่งฟุ้งยิ่งร้อนยิ่งไม่สบายเเพราะฉะนั้นยิ่งต้องปฏิบัติต่อกายต่อใจด้วยกิตภาวนานี่แหละ <c oughs> อย่างที่กล่าวมาเนี่ย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกซึ่งมันถูกกับจริตนิสัยของเราถ้าหาว่าการกำหนดอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันไม่ถูกกับจริตนิสัย มันชอบคิดชอบปรุงอันนู้นอันนี้จะให้รู้พุโทโธพุธโทโธคำเดียวเนี่ยมันไม่อยู่อ้าวมันก็เป็นจิตที่ตกอยู่ในวิตกจริตเป็นอนุสัยหรือจริตแห่งความวิตกวิจารคิดนู้นคิดนี่ ก็ปรับปรับพิธีการเอาจะคิดมันจะคิดอะไรจะคิดเรื่องอะไรก็นั่งภาวนาให้สติแล้ึกลูกกับสิ่งที่คิดนั่นสิ่งที่คิดที่ปรุง คิดเรื่องอะไรแต่ถ้ามันไปคิดเรื่องเสริมกิเลสเสริมความหลงคิดตามเรื่องความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากมีชื่อมีเสียงมีระกมียศอยากได้อยากดีสิ่งน้นสิ่งนี้หรือไปคิดอยู่กับเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่อง อิสาภยาบาทไม่พอใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อันนั่นเรียกว่าเสริมไฟของกิเลส ร, รูปทวนกระแสเอาชอบคิดจริงๆไม่คิดสิ่งเหล่านั้นให้คิดในอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> คิดความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันเป็นอย่างไง ร, รูปร่างกายก็เกิดมาเป็น รูปเป็นร่างเหรอมันแก่ไหมมันเจ็บไหมมันแตกดับทำลายสลายย่อยยับไปหรืมันเป็นยังไงเอมันชอบคิดตั้งสติเหมือนกันกับบุคคลเรื่องเหมือนนายโครเรื่องโคโคมันไม่ค่อยอยู่เป็นปกติ ในเมื่อมีหญ้ามีน้ำให้อยู่ให้กินแล้วมันก็ไม่อยู่ในวงของสวนหญ้าหนองน้ำนั่นมันชอบไปเรื่อยๆอไปก็ให้มันไปแต่ว่าถือเชือกมันไว้ผูกเขา้าลูกเชือกร้อยจมูกโคนั่นไว้ รือไว้มันจะไปไหนมันจะไปไหนก็ไปตามมันแต่ถ้ามันจะไปเลยขอบเขตก็ต้องกระตุกมันไว้หรือผูกมันไว้อย่แรกกาหนดดูมันซะก่อนกหนดดูกําหนด ร, นดรู้ตามมันทินท่ามันวนเวียนอยู่ในการคิดการรู้กับ สิ่งที่เป็นธรรมะสิ่จรู้อยู่ในเรื่องความตายเกิดแก่เก็บตายนั่นน่ะมันก็มาเข้ากับการกำหนดความตายเป็นอารมณ์ให้รู้อยู่ในเรื่องความตายอะไรตายอะไรเกิดตายแล้วมันเป็นยังไงรูปร่างกายเนี่ยสิ่งลมหายใจไปแล้วมันแปรสภาพยังไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟให้มันคิดมันชอบคิด ให้มันคิดในเรื่องอะไรแต่เมื่อเมื่อมีสติหรือมีเชือกคือสติคูอยู่แล้วถึงแม้มันคิดก็คิดไปขอบเขตสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยคิดไปคิดมามันเหนื่อยสติคมอยู่สุดท้ายมันก็จะ รวมเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้นี่ต้องต้องรู้รู้จริตรู้นิสัยของตนเองหรือว่าการบริกรรมสั้นมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันก็รบริกรรมยาวเพระาะสั้นท่านถึงมีการสวดสาธยายธรรมะ <c oughs> เช่นเราสวดมนต์ ไหว้พระ ย, า, ยางแต่ให้ต้องให้มีสติกำกับต้องตั้งความกำกับความกำหนดรูปถ้ามันเผลอมันลืมเอาใหมส่สวดใหม่อิติปิโสพระคาวาระหังสัมมาสัมพุโทโธกำหนดรูปมันไปตะางถ้ามันเผลอมันไปคิดเรื่องอื่นเอาใหม่เอาอิติปิโสใหม่เดี๋ยว่าสวดมนต์อยู่นั่นทั้งคืนจนมันแน่า ไม่ขาดว่าขาดตอนอตั้งนมโมนโมตัสสะปะคะวะตุรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วเลื่อกลู่ต่อเนื่องกันไปจนจบสวดนมโมร้อยแปดหรือสวดอิทิปิโสร้อยแปดกำหนดถ้ามันเผลอไม่ไม่เอาไม่นับไม่นับนำใหม่น้ำใหม่ขึ้นใหม่เอาจนมันลู้ว่าไม่เผลอไม่เผลอไม่เผลอ 10จบยี่สิบจบไม่เพอสามสิบจบสี่สิบห้าสิบร้อยจบร้อยแปดจบไม่เพอเฮออนี่ใช่ได้ใช้ได้นี่เป็นการอบรมบ่มให้สติกล้าทีนี้สมาธิมันก็จะเป็นไปแล้นตั้งมั่นแนว่วแน่ได้แหละเมื่อสติไม่ขาดวักขาดตอน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะว่าอะไรเป็นธรรมะแท้หรือธรรมะที่จะนำไปสู่ความสงบสุขนำไปสู่ความสิ้นจากทุกข์หรือนำไปสู่การเข้าถึงอิมุดนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่ง พ, พุทธศาสนา คือ ท, ทำสอนของพระพุทธเจา้าสอนไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือจิตใจเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดพ้นจากสมมุติพ้นจากความหลงพ้นจากควาิชาความหลงความไม่รู้เข้าถึงความแจ่มแจ้งในสภาวธรรมตามเป็นจริงแล้วทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุด แปลว่าดับเสียซึ่งความโรคโกรธหลงมันไม่มีแหละถ้ามันจิตใจมันแจมแจ้งด้วยปัญญาล่ะมันแจมแจ้งด้วยสติสมาธิที่เป็นฐานไต่เต้าเข้าไปจนถึงปัญญายอดเยีย่ยมหรือว่าถึงปัญญาที่มีแสงสว่างจ้าครอบ หมดโลกธาตุคือครอบใจนี่แหละครอบธรรมชาติรู้คือใจของเราด้วยปัญญาแจ่มแจ้งนทุกทั้งหลายสิ้นสุดไปที่ท่านเรียกว่าเข้าถึงยิสุธทธิธรรมหรือวิมุตต์ดุดพ้นจากสมมุติทาไม่พ้นสมมุติมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยลือมันมืดอยู่มันหลงอยู่นั่ น, นก็ทุกข์อยู่นี่แหละท่านพ้นสมมติเหนือสมมติแลย ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยึดไม่ติดไม่ค้่องก็เหลือผู้รู้บริสุทธิ์ไม่มีเชื่อไม่มีขยะไม่มีตะกรนคือกิเลสทั้งหลายเขามานอนเนื่องอยู่ในธรรมชาติรู้คือใจนี้ได้กะเป็นใจบริสุทธิ์นั่นแหละ้นจากความทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวงได้นธรมธรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะนี่จึงจึงเรียกว่าเป็นอาหารใจเป็นอาหารของใจธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรมรมปัญญาธรรมเป็นอาหารที่หลอ่อเลี้ยงใจนี้ให้บริสุทธิ์หมดจด ให้ใจนี่เป็นอมตะจิตอมตะใจอมตะธรรมที่แท้จริงได้ด้วยธรรมะจึงว่าอาหารจรึงว่าธรรมะเป็นอาหารของใจรวมแล้วอ่มีใจเป็นที่ตั้งมีใจเป็น ผ่านลองรับทั้งความรู้ความหลงความสุขความทุกข์รู้ก็นิจใจนี่ เ, นเป็นผู้รู้หลงก็ใจเป็นผู้หลงหลงอยู่ใจสุขทุกข์เฉยๆมีใจเป็นผู้รู้ผู้ลองรับนีใจเป็นใหญ่นี่เรียว่า ตามภาสิที่ยกขึ้นว่ามโนปุพังคมมัมภัทมามโนเศรถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานเกิดที่ใจดับที่ใจรู้ที่ใจหลงที่ใจรู้ที่สุดไม่บ ร, ริสุทธิ์ที่ใจสติที่สธิปัจจตัง บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์รู้เฉพาะตัวที่ใจเพราะฉนั้นจึงต้องปฏิบัติต่อใจอันนี้พูดถึงสมบัติสมบัติธรรมที่จะเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของใจให้มีความสุขสมบูรณ์แต่สำหรับ กิจใจของพวกเรานี่มันอยู่ในขั้นต้องการความสุขในขั้นสมมตินี่ตํองการความสุขเพราะมีนั่นมีนี่ต้องการความสุขเพราะมีปัจจัยสี่เครื่องชาน้มยสอยสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เราอยากเราปรารถนาอยู่ ในขั้นนี้อยากให้รูปร่างกายนี่ก็ไม่มีโรคไม่มีภยมัยมีความแข็งแรงไม่ให้แก่ไม่ให้เฒ่าไม่ให้ชราต้องจดความจำก็ให้จำได้ดีไม่ให้พังเพลิไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์หลงๆ ล, ลงลืมๆืมนี่ความาถนาของขั้นโลจีสุข หรือว่าทรัพย์แห่งโลกียะโรคนี่ปพัถนากันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นจึงอยากได้เงินได้ทองสมบัติอในที่ว่ามีคุณมีท่าซึ่งว่าสมบัติที่อยากได้นั้นก็เป็นเพียงสมมุติอย่างสมมุติสมส ม, มุติเงินสมมุติทองสมมติแร่ธาต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า <c oughs> ก็ต้องดิ้นรนสแสวงหากันหลงอยู่กับสมมุตินี่แหละเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่กับสมมตุติที่นี่มันมันไม่สิ้นสุดถ้าวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ถึงแม้จะวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยกายกับใจเป็นฐานรองรับ เหมือนกันเพราะฉะนั้นนีว่าสมบัติที่เราปราบันาจะเป็นสมบัติแห่งโลกิยะหรือสมบัติแห่งโลกุตระก็คือกายกับใจนี่แหละเป็นฐานที่เกิดเป็นฐานรองรับเพราะฉะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเพื่อจะมา เสริมฐานรองรับเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะั้นจึงมีการปฏิบัติธรรมจรึงว่ามีใจเป็นใหญ่ในในธรรมทั้งหลายทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้านี่เพราะั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องมา ปฏิบัติต่อใจหรือมาปฏิบัติธรรมถ้าขาดการปฏิบัติธรรมนี่ยก็ไม่มีธรรมะเกิดขึ้นสติธรรมก็ไม่มีทันติธรรมก็ไม่มีสัจธรรมก็ไม่มีคือธรรมแห่งโล ก, กุตระเนี่ไม่มีไม่เกิดมีก็ไม่นําไปสู่ความสิ้นทุกข์พ้นจากทุกข์แม้ใน ระดับแห่งโลกียสุขก็จะไม่ประพบจะไม่ประสบพบความสุขเพราะในเมื่อจิตใจของคนเราเนี่ยไม่มีธรรมะเนียมันก็จะมีแต่ความโรคความโกรธความหลงซึ่งเป็นธรรมของกิเลสเป็นธรรมของอวิชชาของความหลงความไม่รู้ ครอบงำปกปิดจิตใจเมื่อปกปิดจิตใจใจนี่ก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากมีแต่อยากได้อยากได้แต่ไม่อยากทำเหตุอยากทำเหตุอยากได้แต่ผลจะเกิดความมักง่ายเกิดความไม่รู้เรื่องของความทุกข์ความยากเก็นแต่ความสุขจะหาแต่ความสุข ความสุขเพราะการอยู่การกินการยืนการเดินการนั่งการนอนไปตามสบายสบายตามความอยากของกิเลสนั่นแหละตามความอยากของความไม่รู้เหตุผลตามเป็นจิตจึงจะเกิดภาวะของจิตใจขาดธรรมะ <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตใจขาดธรรมะก็เป็นภาวะแห่งความมืดของโรคโรคคือมูสัต มูสัตว์ก็คือมูสัตว์ที่มีจิตมีใจเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีขันติไม่มีความเพียรไม่มีศรัทธาความเชื่อนในการทำความดีแหละคนสุดท้ายก็จะสร้างแต่ความไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นไฟโรกไฟโกรธไฟหลงเาผาผลาญโรกคือมูสัตว์นี่แหละทเ เพราะฉะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมะสร้างธรรมะให้เกิดให้มีเนี่ยจึงเป็นผลดีต่อตัวของเราเองเป็นผลดีต่อส่วนรวมส่วนรวมแห่งโลกทั้งหลายนี้ด้วยจิตใจถ้ามีธรรมะก็จะมีความสุขท ร, รมาค้าขายทำกิจการงานด้วยความมีธรรมะ อันก็จะมีความสุขความสบายเรียกว่าจิตใจนั่นประกอบด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือประกอบด้วยเมตตาธรรมอย่างนี้นนอ า, ากาศประกอบด้วยเมตตาธรรมคันติธรรมสัจธรรมความจริงใจคันติความอดทนอดกันแล้วนี่ก็จะเป็นธรรมะเข้ามารอเลี้ยงใจครอบคุมคจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงต้องมานั่งสมาธินั่งภาวนาทนทุกข์ทนเจ็บทนปวดเพื่ออะไรเพื่อสร้างขันติธรรมสร้างสัจธรรมความจริงใจอธิษฐานเนาะจะนั่งภาวนาอย่างนี่แหละจะเก็บจะปวดจะเป็นจะตายอะไรก็จะไม่พลิไม่เปลี่ยนไม่กระดุกกระดิกจะทําสติกําหนดรู้ปัจจุบันอย่างนี้พุโทโธพุโทโธ นี่คือเป็นการสร้างสัจจะสร้างขันติให้มีพลังนี่เป็นผลดีต่อชีวิตจิตใจของเราให้พึงรู้ว่ากายใจของเรานี่แหละเป็นธรรมเป็นธรรมะที่การปฏิบัติธรรมหรือการสร้างการสร้างงานทำการทำงานอะไร เพื่อความสุขของกายและใจนี่มันรวมเข้ามาเท่านี้เพื่อความสุขของกายใจของแต่ละคนและคนอือไม่ชอบความทุกข์เบียดความเบียดความทุกข์ชอบความสุขไม่มีใครจะไปชอบความทุกข์อยู่ด้วยความเป็นทุกข์ของกายอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ของจิตใจเนี่ยไม่มีใครชอบชอบความสุข ชอให้ใจมีความสุขชอบให้กายมีความสุขเพราะฉะนั้นฐานที่จะให้มีความสุขกายสุขใจก็คือธรรมะเพราะด้านนี้ต้องมาปฏิบัติธรรมะมาฝึกกิจตภาวนาฝึกสติปัญญาให้รู้เท่ารู้ทันกายใจของตนเพราะฉ้านั้นถึงว่าให้รู้อยู่ในขอบเขต ของกายรู้อยู่ในขอบเขตของใจคือรู้อยู่ในความรู้ดังที่กล่าวมาเนี่ยเมื่อเราได้ทาเป็นกำลังคือสติธรรมมีกำลังสมาธิตั้งมัน่นสงบกิจใจปัญญารู้ความเป็นจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วมันก็ปล่อยวางปล่อยวาง มันก็ว่างจากอุปทานความเข้าไปยึบมัน่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาอันนั้นอันนี้ใจมันก็สบายนี่คืงว่าพ้นจากความทุกข์ด้วยธรรมะการปฏิบัติให้สติมีกำลังสมาธิใจมีกำลัง ตั้งมั่นอยู่ในตัวของตัวเองปัญญารอบรู้ใจอุปทานทั้งหลายถอนความยึด ต, ตัวถือตนถือเราถือเขาสิ้นสุดลงไปเป็นเมตตาค้อบโลกกระถายกลายเป็นจิตที่เป็นธรรมเป็นเมตตาหมดทั้งดวงเลยนั่นแหละความสุขอัน ยอดเยี่ยมได้ปารบธรรมะจะเรียกเป็นแนวเป็นแนวทางให้ได้ที่นิดพิจารณาเป็นแนวทางให้เดินปัญญาและก็เป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธา คือความเชื่อมั่นของแต่ละจิตแต่ละใจให้มีความเชื่อมั่นและการประพฤติธธ ร, รมปฏิบัติธรรมสู้ทุกข์สู้ยากเก็บปวดรวดรา้าวสู้อดสู้ทนเพื่อสร้างสติฝึกฝนสติของเราให้ให้มีกำลังมันจะได้รับผลคือความสุขทำไมอย่างนั้นขาดศรัทธาแล้วก็ ไม่ปฏิบัติเหมือน ก, นกันกับคนเดินทางไม่เชื่อว่าเดินไปตามทางเส้นนี้แหละมันจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปถ้าขาดศรัทธาความเชื่อมัน่นแน่ๆอย่างนั้นก็หยุดเดินเมื่อหยุดเดินก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อมีความเชื่อมัน่นก็เดินไม่หยุดไม่ท้อถอยเดินไปเดินมานั่นก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ พราะดการประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะวันนี้ที่ได้กล่าวธรรมะเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามเส้นทางดังที่กล่าวมานี่แหละคือการเจริญสติคือเจริญศีลสังวรเจริญสมาธิ เพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งมีกํำลังเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นบ่อยของสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือจิตเป็นอิสระความรู้เป็นอิสระของตัวเองไม่เป็นบ่อยไม่เป็นต้อยตามเดินตามสังขาร ความนึกคิดปรุงแต่งวิ ญ, ญญาณไปรับรู้รับทราบเรื่องอดีตแอนาคตรเรื่องนันเรื่องนี้เรื่องโกรธเรื่องเกลียดก็เป็นวิญญาณแหะไปรับรู้รับทราบมาก็มาปรุงมาแต่งมาจดมาจำเป็นสัญญาสังขารอะไรต่อไปเนี่ยวุ่นวายกันไม่สงบไม่รวมลงสู่ผู้รู้แท้คือใจได้ เพราะความไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรในการปฏิบัติมีศรัทธามีความเพียรขยันตั้งแต่จะไปหาสิ่งที่ชอบใจถูกใจเราทำมาค้าขายหาทรัพสมบัติภายนอกขยันขืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนกี่วันกี่คืนก็ ทำอยู่ได้นั่นเดียวมันมุ่งมั่นอยู่ครับมันมีศรัทธาในการที่จะหาทรัพย์สมบัตินั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นการที่จะหาทรัพย์สมบัติที่จะให้เกิดความสุขอันแท้จริงเนี่ยทอดทุละเสียผลดุท่ามันก็ไม่มีเมื่อเป็นไม่ได้อก็จึงวนเวียนอยู่นี่อรือว่าวนอยู่ใน อ่างแห่งความทุกข์ความทรมานความรุ่มความหลงไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมาได้ยินได้ฟังการอธิบายธรรมะนิพพิจารณาได้ยินได้ฟังแล้วจงติกตองไข้ควรเรียกว่าสุตตะ มยปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงทาจิตตมยาปัญญาติดตองไข้ควรให้รู้เข้าใจมีความละเอียดเนี่ยมีจิตธมยปัญญาแล้วก็ให้มีภาวนามยปัญญาคือการตั้งจิตตั้งใจตั้งสติกำหนดรู้จิตรู้ใจแห่งเรงเข้าไป เรียกว่าภาวนามายปัญญาให้ควรเข้าไปจากหยาบละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเืๆก็ เ, เ, เป็นการประชุมสติสมาธิและปัญญาท่นียกว่ามรรคมรรคประชุมกันมรรคแมรรคสประชุมกันมรรคแสัม 8, สมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมันโต ถึงสมาสติสมาธิอาการแปดอย่างนั่นเดียว <c oughs> มรคแปดรวมลงมาเป็นมรคสามกคือสินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาประชุมรวมลงเป็นมรคหนึ่งเป็นเอกยมรคเอกเอกเอกยมรคมรคอันเดียวคือปัญญารู้แจ้ง ที่ใจนีเราก็ได้รับผลคือ ท, ทำที่สุดแหงทุกได้ที่นี่ก็ไม่เป็นผู้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตาย ม, มาทุกมายากลาบากอะไรแหละแต่ถ้ายังมาเกิดองก็ต้องมีแ ก, มแก่มีเก็บมีตายมีทุกมียากพูดนวายกันอยู่อย่างนี้แหละได้ยินได้ฟังแล้วจง ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาอย่าไปมุ่งผลอย่างเดียวก็นั่งภาวนาเขาก็จะเอาสวรรค์เอานิพพานเมื่อมันไม่มีไม่เป็นก็ทอดทุลาเสียนั่นมันเป็นผลงานของกิเลส ข, ของความหลงเพราะฉะนั้นจะมีความเพียรทานาังเทติ สีรัเทติภาวะนังเทติให้ทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆความหมายที่ว่าเรื่อยๆก็คือไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดวักขาดตอนทําไปทําไปเหมือนเรารับทานอาหารไม่มีใครจะไป เมื่อความหิวเกิดขึ้นจะไปรับทานอาหารคำเดียวให้อิ่มมันไม่อิ่มแล้วละ่ะถึงแม่จะไม่ต้องเคี่ยวเป็นคำเขาจะให้ทางสายยางทางน้ำมันก็ยังต้องให้ไปหลายนาทีอยู่กว่าจะอิ่มจะพอการกินการเคี่ยวจะไปเคี่ยวคำเดียวเลย ให้หายอิมเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องกินไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้อิ่มแล้วก็รู้เป็นปัจจตังอันนี้ก็เหมือนกันทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆอาวนาฝึกคิดฝึกใจฝึกสติสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆเมื่ อ, อ, อ, อมันเต็มแล้วรู้เองเเอง เพราะใจกันใหญ่ในการรู้อยู่แล้วเป็นปฏชจจตังเฉพาะตนในวันนี้ได้อธิบายธรรมะเนื่องในการที่พวกเราทัาทั้งหลายสิจานุสิตในองค์หลวงปู่เทศเทศรังสีหรือบาอาจารย์หลายๆายองค์ที่เป็นบุรพา j ยา์เป็น พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเนี่ยนำธรรมมาสี่แจงแสดงแต่ละองค์ละองค์เรียกว่าเป็นความชอบทั้งนั้นเนี่ยเป็นหนทางปฏิบัติให้ชอบคือตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาอันชอบนี่แล้วก็มาล้ำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ อือครูบาอาจารย์ของเราเกิดอเราเป็นหมู่พระสงฆ์สาวกเพราะนั่นจึงรวมพุทธโธธรรมโรมสังโฆเรามาสร้างคุณงามความดีอาศัยพระพุทธธรรมผสมเป็นเป้าหมายแล้วก็มาปพฤติปฏิบัติผลประโยชน์เป็นของเราผลประโยชน์ไม่ได้เป็นของพระพุทธพระธรรมผสมรวมถึง ที่สุดแทงทุกโดยชอบความรู้ความเข้าใจความมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นธรรมเครื่องคุ้มกันเครื่องดำเนินรักษาเราเป็นผลประโยชน์ของเราไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของพระธรรมคือคำสอนที่เราพฤ้นปฏิบัติผลประโยชน์เป็นของเรา ทึงว่าปัจจตังเวทิตโพวินญูหิวินญูชนผู้ก็พฤตปฏิบัตินั่นแหละผู้แจ้งเห็นจริงจำเพราะตนด้วยอำนาจแห่งคุณของพระรตนไกรคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงค์ คุณของพระบุรพาจารย์และบุญกุศลคุณงามความดีซึ่งเป็นคุณธรรมที่เราได้แรรทำบำเพ็ญตรงรวมเข้ามาเป็นพลังแห่งธรรมะเป็นพลังแหง่งศรัทธาสติสมาธิปัญญาให้เต็มเปี่ยมให้รวมจิตรวมใจ ของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนผู้มีความมุ่งมั่นในการปฏริบัติอันชอบและก็ปาถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบ ด, ด้วยทรรมแล้ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสำเร็จและเป็นผลและจงเป็นผลสำเร็จ เทศนาภาสาในในิติจลงแห่นปัสสะธรรมเทศนาเพราะเห็นว่าสมควรแก่กาลเวราเอวังก็มีด้วยปังการะชนี